ความคิดการพูดการกระทำทุกนี่ทุกมุมกวมคืนกันไปกับมรกผลยิปานแม้หันหลังให้มรกผลยิปานด้วยการคิดการพูดการทำต่างๆเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นจึงปรากฏว่าผู้สด็จจับฟัง เขาอว่าของพระพุทธเจ้าและสาวกด้วยกันก็ดีปฏิบัติอยู่โดยลำพังก็ดีจึงมีทางรู้ทางหินทางบรรลุมรรคผลมิพานโดยลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากทีดียวการผิด เราก็พอทราบได้ว่าสาเหตุพาให้ติดกันสมัยปัจจุบันนี้เราพูดถึงเรื่องพระเราเองนี่ตัวอยู่ในวัดแต่หันหน้าออกวัดความคิดความปรุ ง, งต่างๆเลื่อนแลแ้วจะเป็นโลกเป็นสงสารเป็นเครื่องสั่งสมยิริยะวิยาการพูดการจาออกมาเป็นไปเพื่อการสั่งสมยิริยะ กรวนการกระทำกระบวนการหันหลังให้วัดหันหลังให้พ่อปฏิบัติหันหลังให้มรรคผลนิพพานเราจะมรรคผลนิพพานมาจากที่ไหนหันหน้าไปตรงไหนก็ได้สิ่งนั้นทรงจิตใจไปทางใดก็ย่อมได้รับผลจากทางนั้นจิตใจในขณะหนึ่งหนึ่งได้คิดถึงอัดถึงทร ม, มากน้อยเียงไหนส่วนมากมีแต่เรื่องของชีวิตปัญหาอาสวะ ทัวพันธุภาณนจิตใจแม้ที่สุดตัด้งหน้าภาวนายัางเข้าแทบสิได้ครั้งพุธการพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่งมรรคผลมิพานอัตธรรมทั้งหลายเป็นเหมือนกับสินค้าที่ทรงแสดงออกผู้มาได้ยินได้ฟังมาศึกษาอารมณ์นั้นเหมือนกับผู้มาจ่ายตลาด ตลาดเกลื่อนไปด้วยวัตถุสินค้าต่างๆเอาขนาดไหนเอาสระอย่างไหนชนิดใดราคาสูงราคาต่ำมีอยู่ในท้องตลาดหมดไม่บกพร่องสมบูรณ์ตลอดเวลาเช่นเดียวกับตลาดตางโลกทางภาษาของเขาผู้บิจาคตลาดลูกค้าจะเอาไปเลือกเอาชนิดใดมีหมด ในตลาดนั้นนั้นองศาศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเป็นเจ้าของตลาดแห่ ง, หงมรรคผลนิพพานพระเองสินท้าประเภทต่างๆได้แก่ข้ะอว่ารสองสอนมีทุกแง่ทุกมุมทุกขั้นทุกผู้ที่ใจ ผู้มาติดต่อเกี่ยวข้องศึกษาอบรมได้รับผลประโยชน์ไปเพื่อตัวเองไม่ขาดทุนทุนดอกไม่เสียเว ล, เวลามาประพฤติปฏิบัติระดับจากตังพระโาวาจากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนี่การพุทธการเป็นอย่างนี้ ว่าท่านผู้ใดนับแต่พระราชามหากษัตริย์ลง ม, มามีความเชือ่อความนับสัยในพระวาตาของพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จออกบวชและออกบวชกันเป็นลำดับลานานับแต่พระราชมหากษัตริย์เสด็จทีกระดามปีป ร, าาระชาชนคนธรรมดามีทุกข์กั้นทุกข์คุณทุกชาติชัน้นเหมือนกะที่มา เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าท่านผู้ใดจะออมาจากส ก, กุลใดมาด้วยความเชื่อความน้มใสมีจิต ใ, ใจคลายต่อธรรมอย่างเต็มอกเต็มใจเพราะฉะนั้นการฟังก็ฟังด้วยความตั้งใจการประพฤติปฏิบัติเพื่ออาจนั้นนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตของตนขอปฏิบัติด้วยความ ตั้งใจจริงๆผลที่ผูได้รับในการปฏิบัติก็อย่างน้อยความทั้งบเย็นใจมากกว่านั้นก็บรรลุทำคันมั่นนานจนถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นผลสุดยอดเพราะผู้แสดงก็แสดงด้วยความถูกต้องแน่นอย่างเนื่องจากตรงข้ ประพฤตปฏิบัติทรงรู้ทรงเห็นมาทุกจิงทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมในบรรดาทาทั้งหลายซึ่งเป็นฝ่ายดีและชั่วที่จะควรแยกแย้ออกให้พุทบธบริษัททั้งหลายทราบพระองค์ทรงสร้างมาก่อนแล้วโดยตลอดทั่วถึงการแสดงออกแห่งธรรมในแง่ใดจึงแสดงออกเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่มีผิดพลาดคาเคลื่อนไปไหนเลย มาได้แสดงออกมาแบบสุส่มมเดาๆเพราะทรงรู้แจง้งจริงแล้วค่อมาแสดงจึงเรียกว่าเป็นศ า, ศาสดาขององค์เอกในอุบายวิธีการสั ง, งสอนไม่มีใครเสมอทัดเทียมได้เลยในโลกทั้งสามนี้แล้วการแสดงออกหางธรรมทุกแา่ที่มุมพระ อ, องค์ทรงรับรองยืนยันได้ผลมาแล้วจึงไม่นำมาแสดง บรรดาสาวกที่ได้รู้ปฏิบัติระดับต่างๆเพราะว่าจากพระพุทธเจ้าจนถึงกับได้รับรู้มาผลิพานก็ได้รู้ธรรมของจรินเช่นเดียวกันแม้ความรู้จะไม่กว้างขวางเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธวิสัยประจางแต่สาวกก็เป็นภูมิแห่งความรู้ของตนซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นธรรมจริงล้วนเมืเม่อสั่งสอนผู้ใดย่อมจะทราบซึ้งถึงจิตใจ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 แสดงแง่ใดออกมาก็เป็นที่จับอกจับใจทราบซึ้งซึงได้ผลเป็นที่พอใจในขนาดที่ฝายการฟังธรรมท่านบอกว่ามีอานิสงส์ห้าแ่ส่วนใดก็รวมลงที่ว่าจิตผู้ฟังย่อสมสงบผ่องใสนี่ข้อที่ห้าคือเราฟังเพื่อ ผลประโยชน์ในขณะที่ฟังจริงๆไม่สนใจคิดถึงเรื่องอะไรในขณะฟังตั้งความรู้ไว้จำเพาะตนคอยรับกระแสธรรมที่ท่านแสดงออกไปกระแสธรรมนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับใจใจรับรู้รับทราบก ร, ระแสของธรรมไม่ขาดม่าขาดตอนความรู้คือจิตจะคิดไปไหนก็อน ไม่คิดเพราะหนึ่งความสนใจค่ายเผการฟังอยู่แล้วสองจิตใจไม่ได้คิดว่าจะส่งไปที่ไหนนอกจากจะมุ่งให้เขา อ, อกเข้าใจในอัธถ ร, รัที่ท่านแสดงไปเท่านั้นเพราะนั้นการฟังธรรมทางภาคปฏิบัติจึงสะดวกได้รับผล ง, ง่ายยิ่งกว่าการปฏิบัติโดยลำพิงโดยลาพังตนเอง ในคข้างพฤตยการจึงมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่โดยสม่งเสมอดังในอภัยหายธรรมมันประชุมกันเมืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงการประชุมเมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันทํากิจที่สูงจะพึงทำข้อสําคัญที่ตรงนี้ไม่บัญญัติ ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบรรดัศไว้แล้วไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัรดัศไปแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในข้ออัดข้อทำรรที่ทรงบรรดัศไปแล้วด้วยดีพระเทเรสผู้ใหญ่ซึ่งเป็นลตันอยู่เป็นที่กเคารพเคี่ยมใสำำ ก, ก็ทําความเคารพเคี่ยมใสต่อท่านผู้นั หลับใหญ่ตรงนี้แล้วพยายามดับแปลงกิเลสพยายามปราบปรามกิเลสตัณหาอัจฉรยะซึ่งคอยแทรกคอยเกิดอยู่เสมอภายในจิตใจให้ยินดีในเสนาสนะป่านะเสนาสนะป่าคือที่อยู่ในป่า ท่านทำพิษสงบเงียบปราศจากสิ่งก่อควรวุ่นวายอันนี้ทำความภาพเพียงด้วยความสะดวกสบายนิเล จ, จะมีมากน้อยก็ค่อยหลุดลอยออกไปจากใจเพราะความเพียรสืบต่อกันอยู่โดยสม่ำเสมอใครั้งพุทธการท่านถือเครื่องครับถือฝากเป็นฝากตายจริงๆกับการประพฤตปฏิบัติการฟังธรรม พระโพธิจารและสาวกซึ่งเป็นอรหันต์ทางนั้นเป็นผู้ให้การอบรมเพราะฉะนั้นผลจริงเป็นที่พอยใจรื่นมาไม่ได้ว่าศาสนาเป็นที่อาศัยธรรมดาไม่เอาาสนาเพื่อเป็นที่ฝักเป็นฝากตายฝากเป็นิ จ, จิตรใจจริงๆการประพฤติก็เห็นผล เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าศิทธาโคต์ขอมผิดพึงคำหนึ่งถึงหลักพุทธทางธรรมาั ง, งสงาาังั์สันกระฐานมิอยู่เสมออย่าให้ห่างเหินจากจิตใจนี่เป็นหลักที่ฝากเป็นฝากตายได้อย่างแท้จริงอำนาจของเจดิตันหาอาศาวะจะไม่รุนแรบงบ เมื่อจิตใจมีความมั่นคงมีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่โดยสม่ำเสมอก็เหมือนกับว่ามีเครื่องป้องกันตัวการทาความเพียรอย่าไปกาหดกนดเวลาเวลาวิทยาบทต่างๆให้พึงทําอยู่ที่จิตคำว่าจะเป็นคำวมาความเพียรอ่างแท้จริงก็ได้จากสติเป็นเครื่องประครับประคองรู้ตัวอยู่เสมอ เช่ผู้ฝึกหัดใหม่เริ่มต้นด้วยคำบริกรรมภาวนาเช่นพุโทโธพุทโธเป็นต้น mm hmm. ก็ให้จิตมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับคำบริกรรมภาวนาของตนด้วยความมีสติ mm hmm. ผูกพิจารณาทางด้านปัญญาสติเป็นสิ่งที่บังคับหรือกำกับมาก็ให mm ้เกี่ยวโยงกันไปกับปัญญาให้เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอ ในทางความเพียรเราฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจา้าซึ่งเป็นองค์เลือดเสริฐสุดในโลกทำเป็นของประเสริฐเราต้องการจะพ้นทุกข์ด้วยอานาจแห่งธรรมด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติเราไม่หวังจะร่มจมอยู่ในกองทุกขซึ่งเป็นสิ่งที่เอือ้อมน่าเอื้อมละอามากถ้าผู้จะคิดในเรื่องแง่แห่งกองทุกข์ทัหลายซึ่งมีอยู่ในสัตว์ในสังขารทั่วไป โลกไม่ได้อยู่โดยความเป็นอิสระแต่อยู่ด้วยความถูกทุกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาหากไม่มีคนผลใจจึงไม่อยากจะแยกตัวออกจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้นอกจากจะหัวถลำเข้าไปด้วยความผลใจก็มีด้วความรู้เท่าในทุนการก็ดีด้วยความชอบสิ่งนั้นสิ่งนั้นโดยไม่คํานึงว่าสิ่งนั้นมีเจือด้วยยาพิษหรือไม่ก็มีมีหลายประเภทมีเราเป็นนักบวช เรื่องเรื่องแล้วทุกแง่ทุกมุมบรรดาโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เราได้ผ่านมาแล้วพอสมควรเพราะนั้นจงอย่านำโลกเข้ามายุ่งขวนด้วยความอยากความหิวความกระหายความอยากที่จะคุ้มเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเครื่องกอบที่เดืดปัญหาให้เกิดขึ้นเผาลงจิตใจให้คุณคิดถึงเรื่องอัตเรองทำอนันเป็นไปเพื ความปลอดภัที่เด็กปัญหาอาสวะซึ่งจะนำมาถุงทุกขทั้งหลายนี้ออกจากใจโดยระดับด้วยความเปลี่ยนขางตนในท่าและเดียบต่ต่างๆอย่าได้เผลอตูนอนใจนี่คือว่าครูจะสืบภาพมารดกของพระพุทธเจ้าไว้ได้และเป็นคุณค่าอันใหญ่หลวงของนี้นเป็นที่งมงคลอันใหญดหลวงจก่ตนตลอดอนันตกาหาประมาณไม่ได้พิเจะมีประเภท จะเป็นประเภทใดก็ตามมีมากน้อยอย่างไรย่อมจะเป็นเพื่อนเสียดแทงหิือขีความจิตใจอยู่ร่ําไปท่านจริงําหนิว่าไม่ใช่ของเด็เรื่องของกิเลสนั้นมีหลายสันหลายขมส่วนมากให้เป็นเหยื่อล่อให้หลงเผลอแล้วกานําทุกข์เข้ามาเหยียดย่าทําลายทีหลังหลังจากฉากนั้นแล้วก็เป็นฉากของทุกข์นั้นเกิดขึ้นมา การทาความเข้าใจกับเรื่องของโลกซึ่งมีอยู่กับตัวมีอยู่กับทุกคนอย่าด้ประาามาทนอนใจการทำความเพียนเพื่อความพ้นทุกจะยากลำบากเพียงไรท่านถือว่าเป็นงานอันตนจะพึงทหํหอีกเลี่ยงไปไม่ได้ถ้าต้องการพ้นจากทุกซึ่งจิตความกดผงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ท่านจิตใจเป็นอิสระ อย่าพื้นเพราะถอยทําความภาพเพี่ยนอย่าไปคํานึงว่าวาัสนามากวัสนาน้อยในขณะที่จะทําความดีมีการเดินจงกลมนั่งสมาธิเพื่อมรุ่นผ่านเป็นเพือถ้าจะคิดว่าอํานาจวัฒนาน้อยให้คิดในขณะที่จิตเดือนน้อยเถลอตัวไปพอระลึกได้ก็ให้สร้าง่านนี่เป็นการสังสมเป็นการตัดทอนนิสัยวัสนาของตนให้ด้อยลงไปโดยลำดับ ถ้ามากคนนี้น้สวาสนาก็จะขาดชูนไปเพราะความความชั่วเป็นสิ่งทําลายหรือเผาผลาญให้วอดวายไปการทําทความดีตลอดเวลาก็คือการสร้างอํานาจวาสนาขึ้นภายจิตเพื่อจะปราบปรามสิ่งที่เป็นการศึมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปนั่นแหลใครจะไปสร้างวาสนาที่ไหนถ้ามัสร้างที่ใจวาสนาถ้ามากน้อยแค่ไหนาก็เกิดขึ้นที่ใจเป็นผู้สร้างได้ เราอยากเข้าใจว่ามรรคผลิพานจะหืนห่างจะอยู่ห่างกันจากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเช่นเดียวกับบรรันไดมีความเกี่ยวเนื่องกันกับบ้านเรือนถึงรามบ้านช่องจะสูงเพีนนรรยงใดบันไดต้องปิดแนบไปทุกๆชั้นของบ้านของอยู่ธรรมธรรมะธรรมะจะสูงขั้นไหนซึ่งเป็นฝ่าผล ธรรมมาปาเหตุคือข้อปฏิบัตินี้จะเป็นปิดแน่กันไปทุกขั้นทุกภูมิเพราะผู้ที่จะกล้าเข้าถึงทำขั้นทั้นนั้นก็ต้องเป็นไปตามทมขั้นเหตุคือทางดำเนินนี่ทางดำเนินเพื่อมาผลิภานดูที่มัชฌิมาปฏิปทาสมาธิกีิสัมมาสังกปซึ่งเป็นองค์แห่งปัญญาท่านนำออกออกหน้า มือนกับคนฉลาดนาหน้าคนโง่ข้หลัหัวหน้างานเขาหาคนฉลาดเป็นเขาเอาคนโมง่มาเป็นหัวหน้างานซึ่งจะทํางานให้เสียแล้วตลอดถึงลูกน้องเขาจะอิดหนาละอาใจพ้นงานก็ไม่ได้ดีไม่ดีทํางานแล้วทีายไปปปีนปไปหมดเพราะความโง่ของหัวหน้าในการแก้จุดเด่นัญหาซึ่งเป็นสิ่งฉลาดแล้มคมมากเหนือสิ่งใด น, นอกจากสกิปัญญาแล้วแก้ไม่ได้ต้องอบงรมสติปัญญา ให้แก่กล้าสามารถอย่าได้ลดละ น, นี่แล้วคืออาวุธอันธันสมัยกับกิเหล็ไมันมีกิเลสตัวใดที่จะฝ่าฝืนหรือมีอำนาจกดขี่บังคับสติปัญญานี้ไปได้พระพุทธเจ้ากสัจจะรู้เพราะพระสติปัญญาพระสาวกทั้งหลายไม่เว้นได้บรรลุธรรมด้วยสติปัญญานี่ทัางนั้นเป็นสําคัญสติปัญญา จึงเป็นธรรมคงเส้นคงมาต่อการตาปการพิเดชะไหายผู้ต้องการอ จ, จะพ้นจากทุกโดยลำหนับภายในจิตใจในี้ให้พึงสั่งสมสติปัญญาจััทธาผ่านเพี่ยนให้เกิดกล้าสามารถแห่งโลละท้อถอยสมบัติอันพุนใจจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัตินี่เลย ไม่อยู่ที่อื่นเราจะไปฆ่ามรรคผลนิพพานม า, านอยู่สถานที่หนึ่งที่นี่เป็นไปเป็นเรื่องเก่าสถานที่ไม่ขันตะครุบเหม่หาตัวสิ่งไม่่ตัวจริงมีอยู่กับสัจธรรมสัจธรรมกับมรรคผลนิพพานเป็นขอ ง, งเจริญเนื่องกันอยู่แยกจากกันไม่น่าและไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจศาสนามากั้นกางมรรคผลนิพพานของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยมัชฌิมาปฏิบัตปทานนี้ได้เลย สิ่งที่เป็นมารกัร้งกลางมาผลนิพพานก็คืออิเลตปัญหาอสระซึ่งเกิดขึ้นจากใจเป็นเครื่องทำลายใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นทุกครั้งอธิยศจางท่านบอกให้พึงกําหนดรู้คือทุกนั้นเป็นเครื่องเตือนสติผู้นิ่งน่ะว่าพึงกําหนดรู้ทุกเป็นเครื่องเตือนให้สติปัญญาที่จะมาขี้ขาดการขี้คายนั้นได้แก่ปัญญา ความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นส่วนสมุ ท, ทยัยเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะความรักชอบสินใดความเกลียดความโกรธกับสินน่งใดกะธรรมดาของจิตโกรธก็เป็นอารมณ์เกลียดก็เป็นอารมณ์รักก็เป็นอารมณ์ชังก็เป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นเมื่อเป็นที่นั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญา เป็นผู้ที่จะต้องไข่ควรจดจอ่อดูเหตุดูผลของความรักความฟัมความเกลียดความปวดมันเป็นสาเหตุมาจากสมุทยัยแก้กันด้วยสติปัญญานี่ยเกี่ยวเนื่องกันอีูอย่างนี้สมุทัยพึงละเราเราจะเอาอะไรมาละสมุทยัยห้าตันติเมทิโคยพึงละสมุทยัยถ้ามาละด้วยมรดจะละด้วยอะไร มันเกี่ยวเรื่องกันอย่างนี้คว่า น, นิโรธความดับทุกข์เอาอะไรไปดับถ้าไม่เอามรรคไปดับกิเลสไปก่อนเมื่อกิเลสถัดดับทุกข์ก็ดับไปเองความที่ทุกข์ดับไปนั่นแหละท่านเรียกว่า น, นิโรธมันความเป็นความเกี่ยวเนื่องกันทำงานในขณะเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังกันเลยเราไปแยกไปแยกเลียงลากันไปเท่าไหร่ก็ได้ สำคัญที่การปฏิบัตินี่ทุก์กับสมุทยัยเป็นตัวกั้นกลางมักคผลนิพพานซึ่งทมทั้งสองประเภทนี้หรือสัจธรรมทั้งสองประเภทนี้ก็มีอยู่ในใจของเราเป็นผู้กิจขวางรวมใจก็คือสัจธรรมทั้งสองนี้มรรคคือการแจกใช้การขอดขอนกิเลสกัญหาอาสวะ ก็จะให้ทุกข์ดับไปก็อยู่ที่ใจของเรานี่เป็นฝ่ายบุกเบิกถากฐานสิ่งรกรุงรังได้แก่กิเลสอาสวะต่างๆซึ่งเป็นสัจธรรมทั้งสองนั้นได้แก่ทุกข์สมุทัยมารนี่เป็นผู้มีอํานาจถ้าสร้างให้มีมีได้แล้วปราบมานทั้งหลายหรือสิ่งที่รกรุงรังทลายออกได มนเป็นนโรดขึ้นมาทำทั้งสี่นี้ทําหน้าที่เกี่ยวโยงกันโดยไม่ต้องไปตั้งวรระทํางานทั้งสี่ประเภทนี้ว่างานไหนจะทําก่อนงานไหนจะทําหลังเมื่อทุกเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเตือนสติแล้วว่าให้จิตคิดๆๆจิตนาตามท้าหอย ทุกนี้เป็นผลสาเหตุที่ให้เกิดทุกนี้ที่เกิดทุกเวลานี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องอะไรเช่นทุกใจเราทุกเพราะอะไรเราทุกเพราะเราเปรียบคนนั้นเราชังคนนี้เราเป็นทุกเพราะเรารักถึงนั้นรักคนนั้นเป็นเรื่องของสมุกใยทิงนั้นทำไมจึงต้องรักอะไรมีอยู่ในที่นั่นจึงทําให้ให้รักให้ใจิตใจเอามาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจน เห็นรักบุคคลนักคนนักหญิงนักชายอะไรเป็นหญิงเป็นชายค้นคว้าดูเอาตัวเราเป็นตัวประกันเป็นตัวแบบฉบับค้นดูในตัวนี้ก็ได้ค้นดูข้างนอกก็ได้พี่ดูคราดูตั้งแต่นหนังเข้าไปจนถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายของคนมีที่น่ารักที่ตรงไหนนี่คือสมุดทิบยึุมากเป็นเครื่องแก้เพื่อมีความรูความรุม่งหลงมโนหมายสงใจ ทนี้เมื่อพิจารณาเข้าใจชัดเจนแล้วก็ปล่อยวางกันเองเ่องความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความรักทางเกลียดความโกรธก็ดับไปเองพราะดับสาเหตุแล้วผลจะมีมาจากไหนก็ดับทั้งมันไปเองการปฏิบัติต่อศัจธรรมมีความเกี่ยวโยงกันหนังนี้โดยหลักธรรมชาติ มาเรียนิยมมาจะปฏิบัติอย่างในก่อนอย่างในหลังไม่มีข้อข้อบังคาไม่มีกฎเกณฑ์แต่หลักธรรมชาติแล้วก็ทุกเป็นเครื่องเตือนให้เกิดสติและลึกรู้เรื่องของทุกแล้วค้นหาเหตุที่เป็นทุกได้แก่สมุนไพรด้วยมัคคือสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อทั้งสองอย่างนี้ได้คือสมุนไพรกับมัคได้เกี่ยวโยงได้เกี่ยวข้องกันทำหน้าที่ต่อกัน ในสำเร็จไปมากน้อยเรื่องความทุกข์ก็ดับไปโดยำดําหนึ่ ง, งเป็นความแสดงออกของนิโรธตามขั้นตามภูมิของมรรคที่ดับทุกได้จนกระทั่งดับทุกได้ด้วยอำนาจของตัศีปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลือพอที่จะเป็นสาเหตุเกิดทุกข์อีกเลยนันท่านนิโรธแสดงเป็นผุหลังจากนิโรธ ความดับทุกเต็มภูมิเพราะอำนาจอำนาจได้ดับที่เด็ดอันเป็นสายแห่งทุกข์ชิ่นสุดตรงไปแล้วอันนั้นเลยจากสัจธรรมคืออยู่ผะหนึ่งต่างหากจากสัจธรรมในสัจธรรมทั้งสี่นี้จะเรียกวันิพานเรียกไม่ได้เพราะเป็นกินยาเป็นอาการฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ถ้าเราจะเที่ยวไรเมือกํ า, ากกลัง รบกันคุณมูลวุ่นวายจะหาความชณะใครคณะในขณะนั้นได้อย่างไรฝ่ายไหนมีกาลังน้อยฝ่ายนั้นพ่ายแพ้ไปฝ่ายนั้นมีกาลังหน้ามากฝ่ายนั้นเป็นผู้ครองอํหนาจนั่นะหลังจากรบกันเรียบร้อยแล้วชุครามจึงสงบลงไปด้วยฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายแพ้ นีเมื่อสัจธรรมทั้งสี่ทำงานต่อกันจนสิ้นสุดยุติลงไปแล้วอย่างเต็มภูมิของเหตุของผลผู้ที่รู้ว่าสิ้นสุดแล้วซึ่งสงครามในระหว่างสัจธรรมทั้งสี่ต่อสู้กันหรือทําหน้าที่ต่อกันผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมคือนอกเหนือจากสักจธรรมทั้งสี่ ทุกเกิดขึ้นแล้วทุวกก็ดับไปชุ่มมูไทด์เกิดขึ้นแล้วสมุมุูไทด์ก็ดับไปมากทําหน้าที่แล้วมากก็ดับไปนิโรธทําหน้าที่แล้วนิโรธก็ดับไปผู้ที่รู้ว่าสัจธรรมทั้งสี่แสดงอาการขึ้นระดับไปยุติลงไปแล้วนั่นแหละคือผู้เหนือสัจธรรมผู้นอกจากสัจธรรมได้เกี่ววิมุติ ความดุพลท่านจิงแยกออกว่านิาพพานเรายอมรับทันทีหาที่พันไม่ได้ว่าพระองค์ท่านนี้ไม่มีอะไรจะสมนเหมือนแล้วแยกออกเป็นมรตีผลสี่นิพพานนันทา่าระหวาากก่างมรผลกำลังทำงานอยู่นั้นยังไม่สิ้นสุดเป็นนิพพานไม่ได้จนกระทั่งอันนี้ยุติเหมือว่าอะไร พอมากกาล้าคือถึงผลผลกับเหตุได้ยุติจากกันนั่นแหละเรียกว่านิพันธ์นิพันธ์สำเร็จอาหารตะโผนท่านพูดตัว อ, อย่างง่ายสําเร็จอาหารตผนแล้วสำเร็จอาหารตะโผนคือมันเกี่ยวเนื่องกันอย่อยางนั้นแต่เวลาแยกไปจริงจรงแล้วก็นิพันธ์นั่นเอง ามากกับผลทําหน้าที่ต่อกันยึติลงอย่างเต็มที่แล้วก็เป็น น, นิพพานขึ้นมาขณะมากกับผลที่ก้าวกันที่ปฏิบัติต่อกันอย่างนั้นยังไม่เรียกว่านิพพานอยู่ด้านเหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนบ้านแล้วแต่เท้าอีกข้างหนึ่งยังเหยียบอยู่บันได จะเรียกว่าผู้นั้นถึงบ้านแล้วได้ดีไม่ได้นี่แหละเวลามรรคผลทำงานต่อกันเป็นอย่างนี้นพอเท้าที่สองก้าวขึ้นไปเหยียบกึกลงบนบ้านเหยียบกึกตรงนั้นเรียกว่าถึงผลเต็มภูมิพอยุติจากการเหยียบหมดกิริยาที่ทำแล้วนั่นแหละนิพพา น, นในขณะที่กำลังทำงานอยู่ ไม่เรียกวันนี้พ่าน เ, เพราะยังไม่เสร็จขึ้นกิตที่ทำทำที่กล่ามาทั้งหมดนี้มีอยู่ภายใจิตใจของเราทุกคนพระพุทธเจา้าขอทรงปฏิบัติตามหลักปฏิปธรรมทั้งสี่นี้พระสาวกกอปฏิบัติตามหลักททปฏิปธรรมทั้งสี่นี้เป็นผู้รู้รอบขอบฟิตในใจธรรมทั้งสี่มีแล้วจิงได้ปริญาณตนว่าเป็นผู้ สิ้นแล้วจากที่เดตะสาระเป็นพูดถึงแล้วซึ่งแดนมังคเสมดูได้กลับสรุแล้วซึ่งทำอันตระเสรินมันรู้แล้วซึ่งทำอันประสรอยู่ที่ตรงนี้เราอยากประคิดข้าสถานที่นั้นที่นี้เป็นพระพุทธเจ้าจับสรุ้อยู่ที่อินเดียตลำเพลิน อ, อยู่ที่นั่นลำเพลินนี้เป็นประเด็นอารมณ์อยู่กับนั้นจนลืมหน้าที่ของตน การพูดปฏิบัติของตนเพื่อรับคนอีกพานอันอยู่ภายในใจของตนไปเสียเก็เรียกว่าตะครุบหนักหาเก่าที่ไม่เกิดพระพุทธเจ้าสอนองค์ทีนี้ธรรมะไม่ว่าจะ่แหนใดสอนไม่นอกเหนือไปจากกาวาจาใจของเหล่าเนี่ชื่อของธรรมอยู่นู้นสอนเข้ามาที่นี่ธรรมอยู่ที่กัมปีก็ชี้เข้ามาที่กายวาจาใจของสราเนี่ย ทุกอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่กับบุคคลอยู่กับสัตว์สมุทัยอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจของคนของสัตว์มัชจะอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ในหัวใจคนคือข้อปฏิบัติเมื่อข้อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วนิโรธ ค, คือความดับทุกๆจะดับไม่ได้อย่างไรเต็มภูมิแล้วต้องดับทุกโดยสิ้เนเชิงไม่ว่าสมัยนู้นสมัยนี้มีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงธรรมคงเส้นคงวาอย่างนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชชิน ม, มา ปกิปทาคือเป็นธรรมเหมาะสมอยู่เสมอเป็นธรรมเหมาะสมีตลอดการในการแก้ที่เลกปัญหาสวะทุกประเภทไม่ว่าคใครจะบำเพ็ญใครจะปฏิบัติอยู่ในสถานที่ใดทียบทใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เทิดทูนศาสนาธรรมและเป็นผู้มีหวังที่จะได้เอื้อมถึงมรรผลนิพพานด้วยความปฏิบัติของตนโดยไม่ต้องสงสัย ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องลงในจุดนี้เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดยูที่ไหนให้มีสติสตินี่เป็นของสำคัญถ้าสติอยู่กับตัวจิตใจก็ไม่เพ่นพ่านได้แม้กิเสปัญหาจะมาพ่อคุณก็เป็นไปเพราะความเผลอขริงจิตมือถึงขั้นที่จะทดลองกันแล้วมันก็มีจิต คิดเพื่อทดลองตัวเองนี่คิดออกไปทางฝ่ายทัสมูไทยได้แต่เป็นสมุทัยเพื่อทดลองก็เรียกว่าเป็นมรกคอยู่โดยปริยายเห็นเวลาจิตมีความแก่กล้าสา ม, มารถในเรื่องอสุภะอสุพังมองดูหญิงดูชายที่ไหนเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดอังนี้ย่อมรับเรื่องของร า, าคะระงับมากไปมากไปจนกระทั่งไม่ปรากฏราคะคือความกำหนับความรัก สวยรักามนั้นปรากฏขึ้นที่ใจเลยไปอย่างละเอียดละเอียดแล้วหมดไปนี่คือลังเลไม่ใช่หมดจริงๆท่านี้คำทดลองก็คือเมื่อมันเป็นไปอย่างนั้นแล้วทําไมจึงไม่แสดงแสดงความเด่นชัดให้เห็นว่าหมดแล้วในขณะนั้นสิ้นแล้วในขณะนี้จากราคาตะตัณหาเป็นเพียงว่าค่อยหมดไปหมดไปจนปเป็นไม่ปรากฏราคะเหลืออยู่เลย จิตใจพอกําหนดดูรูปร่างหญิงชายใดมันเป็นอัจฉอสยะอุดพัง์เป็นประหมดทั้งร่างแล้วมันจะอาร้างกําหนัดยินดีมาจากไหนเพราะฉะนั้นความกาหนัดยินดีนั้นจึงหลบซ่อนตัวเหมือนกับหินทับญากผู้ไม่พิพจารณาอย่างรอบครอบเข้าใจว่าตนสิ้นราคาแล้วนั่นคือความเข้าใจผิดด้วยความมักง่ายความสภาพ์าของตัวเด็กเมื่อเป็นแค่นี้แล้วในขั้นที่จะ เอาความละเอียดละออเพื่อถึงภูมิความจริงแห่งความจิ้นราคาจริงๆแล้วจะต้องทดลองกันการทดลองด้วยความจงใจไม่มีความเสียหายแต่อย่างใดความเป็นไปด้วยความเผอตัวดบื้องนาาของสมุทยนี้จึงหาทางยับยั้งไม่ได้ส่วนความเป็นไปของจิตที่ นำสิ่งเหล่านั้นมาทดลองเทียบเคียงเพื่อจะหาความจริงจากสิ่งนั้นแม้จะแยกให้เป็นสมุทัยเพราะการปรุงสิ่งนั้นให้สวยให้งามขึ้นมาก็ต า, ามแต่ก็เป็นเรื่องของมรรคเพราะปรุงขึ้นมาเพื่อทำลายปรุงขึ้นมาเพื่อความเห็นแจ้งเพื่อเห็นเหตุเห็นผลกันอย่างชัดเจนนี่ก็เคยปฏิบัติมาแล้วเหมือนกันเพราะเมื่อถึงขน้นแล้วมันไม่มีทางไปมีแต่อสุภาษวางงาอยู่ม สุภะก็ดิบตัวขึ้นไม่ได้มองดูสินใดมีสิ่เรื่องอสุภาษะจะตามเป็นเนื้อเป็นตัวแม้จะสัตว์ดุร้นนายฉานมองไปก็เพราะอำนาจแห่งพิปัตินาคือปัญญามันทะลุผูกโลงไปหมดพิจารจิตมีความชํานาญในทางใดเช่นทางอสุภะถ้าอสุภาะาภานั้นมันเด่นในอาการใดเช่นเด่นในเนื้อเด่นในหนังมันก็ทะลกกุเข้าไปถกกึปงเนื้อหนังทะลุเข้าไปจนทั่งทึงแตกกระจายไปเลย หาจับาบุคคลไม่ได้ในเวลานั้นรวมแล้วก็เป็นกองอรรทุกเต็มดินเต็มยา่างหมดเต็มร่างของคนคนนั้นพอเมื่อมันเป็นบรรุกหน้าเรียดหน้าอินทรอาใจที่นั่นราคาจะไปกำหนดได้ยังไงในกองบรรทุกขึ้นเป็นเหมือนป่าช้าที่ดิบแล้วนั่นเนี่ยราคาหมอบรลบช่อนตัว ก็จะฟื้นขึ้นมาให้เห็นเหตุเห็นผลจิงต้องอาศัยสุภาคือความสวยงามคือมาเทียบเคียงแยกแยะ ก, กันทดสอบกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเต็มภูมิแล้วเรื่องราคะขาดจากใจก็รู้ชัดเจนทีนี้เมื่อรู้ชัดเจนแล้วการทดลองไม่มีอะไรจำเป็นเพราะชัดแล้ว ควทดลองก็หมดสิ่งที่จะพิจารณาให้เป็นสุภาษะสุภาะอะไรมันก็หมดไปหมดปัญหาเพราะคำว่าสุภาษะสุภาษะเขาเพื่อจะแก้ราคะอันเดียวนั่นเองการพิจารณาเมื่อถึงขั้นจะต้องนํามาทดสอบในต้องในไหนในระยะที่ไม่ควรจะเรื่องสุภาษะสุภาเข้ามาเกี่ยว ข, อ ข, ข, ข, ข้อขงกับจิตเลยก็มีให้มีแต่สุภาษะเป็มเนื้อเต็มตั ว, วทุกียาบท ว่าเจอิญใจให้กำหนดพิจารณาเป็นเรื่องอสุภสุตังเป็นปัจฉะผีดิบผีตายไปทั้งนั้นนี่คือทางดาเนินเพื่อสิ้รนราติตัญหาอันนี้เป็นของละเอียดมากเหมือนกันการสติปัญญาไม่ทันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่พ้นวิสัยของสติปัญญาเอาหนักก็แบกบขวางคอยอยู่ก็คือเพราะเราอยากได้ของดีเราจะเห็นอยรู้ของจิง พิจารณาลงให้เต็มไม่เต็นหน่วยปัญญาถึงคราวใช้แล้วอย่าถนอมบัวจะมันผงจะแตกว่าปัญญาจะมากเกินไปถึงเวลาใชา้ใช้ให้เต็มผงถึงเวลาจะเข้าสู่ความสงบไม่ต้องยุ่งกับปัญญาเหมือนไม่เคยพิจารณามีแต่หน้าพี่เดียวที่จะทาจิตให้สงบด้วยาอาการใดที่เราเคยพิจารณา แม้ที่สุดด้วยบทบริกรรมก็ได้ไม่ถือว่าสูงไปต่งไปเพราะเป็นธรรมอยู่กับจิต ด, ด้วยกันเป็นอุบายที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นเนื่งรับความผาสุกในขณะพาคจิตนือนกันสงบไม่จังบนกับเครื่องความคิดอ่านด้วยสติปัญญาใดยทั้งสิ้นมีแต่สติกำกับ เพื่อใจให้รับความสงบภายเดียวนี่คือว่าทำงานไม่ก้าวไก่ไม่ยิบไม่จับจดต้องทำหนั้นเมื่อจิตมีความสงบแล้วย่อมมีกําลังมีความเยอือกเย็นมีความสุขความสบายเบาจิตเบาใจแล้วทำงานต่อไปแล้วเกิดการพิจารณาคลี่คลายอาการต่างๆของภาตุสันทั้งภายนอกภายในตามแต่จะเป็นความหนักแต่ในเวลาใดก็ตาม เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งภายนอกภายในถ้าพิจารณาให้เป็นมรรคเป็นมา้การพิจารณาให้เป็นสมุทยัยแม้แต่ร่างกายตัวเองที่สําคัญมาเป็นของเถืนน่องามก็เป็นการสั่งสมสมุทัยได้แล้วมองเห็นรูปภายนอกเกิดความลกความกําหนัดยินดีก็เป็นสมุทยัยได้แล้วอย่างเต็มตัวการที่นานแยกแยะเ ก, กิดความเข้าใจในสิ่งหย่านั้นเพื่อจะถอดถอนตัว อ, ออกมานั้นจึงไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมรรคด้วยกันทั้งนั้น อัทตาวาภิทาวากายเยกยานุสีวิหารติการนอกดูการนอกนัอนก็ได้ดูการในกายการนอกกายในที่การตรวจดูการในกายคือส่วนได้ส่วนหนึ่งของอวัยวะทั่วไปในร่างกายเราเนี้ก็ได้แน่ฟังดีสันหวาในสติปัฏฐานสี่อัทชัปปิกุกายเยกายานุสีวิหารติ มตาพกุลอาชาตังวาบังิตอาจาตตาวากายกยานุสีาิบังิตทาวากายกยานุสีญาติอัชาตะาบัิตาวากายกยานุสีญาติสมุยธรมาธรรมกายชนีญาติยะธรรมกายนีาสมุริยาวายะธรรมกายนีญาติอติโกอติโกอติอติโกกายอติโกโยิวาปนะวาปนะสติปจบัติกาห้องติ กรนย่งายนามัตตายะปฏิสติปันตาตาเยอะเรื่อยไปวันนี้พระท่านจะพิคุนี่ว่าอิท่าพิคุกายกายายุขี่หาติพิจารณาการในกายการนอกก็ดีกายในก็ดีกายในกายก็ดีด้วยปัญญาท่านเรียกว่าสติปัฏฐานพิจารณาความเกิดขึ้นความเฉพาะความเกิดขึ้นก็ได้เฉพาะความดับไปก็ได้หรือทั้งเกิดขึ้นและดับไปของ สิ่งต่างๆภายในร่างกายนี้ก็น่าปีนากายเวทนาจิตนี่ก็เหมือนกันแล้วให้พูนทําความเข้าใจว่ากายไม่มีอยู่อัตติกายโยติวาปัญสติปจบัติกาหุ่นติให้พูนทําความเข้าใจว่ากายมีอยู่ยแล้วพิจารณาในสิ่งที่มีอยู่นั้นให้เห็นชัดเจนรู้กวามคิดศัก์แต่ว่ารู้ญาปัญสัติปฏจบัติกาหุ่นติให้มีสติจาพ่อหน้าอยู่เสมอ สัแตะวารู้ไม่ยืดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายในขณะนั้นทำพลาอะไรอย่างไรเวทนาจิตทรรมก็มีนัยะเหมือนกันผู้พิจารณาสติปัฏฐานสกับอริยรรสัจสิตามแต่ความถนดัดเป็นเรื่องเดียวกันผิดรัมแต่เพียงว่าอาการเก็ดกายเวทนาจิตรมกายไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรเนี่ย จิตก็เป็นส like so right? ัจะทํมได้เพราะมัน anyway, มีทุกมีดุงใจในนั้นแล้วมีมากกวิภายนิฐจิตนั้นด้วยนิโรดับทุกข์ระดับีิจิตนั้นแน่ทั้นี้มีสมุทจะเรียกว่ัจะทํมเรียกว่าเวทนาคือตัวก็ตัวสนุทัยตัวทุกและเวทนาซึทุกงานดท่านการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้อยมันอนตายเรื่องปัญญา ควรที่จะพิจาณเมื่อไรให้พิจารณาเป็มเหตเต็มผลเต็บัตรเต็มปูอย่าไปคอยว่าให้สมาธิแน่หนาคงแน่จะพิจารณาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเหมือ น, นกันมาถึงการเวลาที่ควรพิจารณาให้พิจารณาเมื่อพิจารณาไป ม, มากๆเข้าใจชัดเจนซุ้มขาวเข้าไปดื่มหลับแล้วสมาธิก็สง Ο บลงได้ทำไมจะเป็นหมวหน้าการพิจารณาเพื่อจะตอบถอนสิ่กําบลทั้งหลายด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงทา ง, ง, งปัญญา จิตจะสงบไม่ได้ยังไงต้องสงบเวลาจะพิจารณาให้เป็นความทั้งหมดโดยลําพังซึ่นอาศัยบริกรรมบุไดบุญด้วยจิตที่มีฐานหสมาธิแล้วกำหนดเอาเพียงจิตที่เฉยกันกลกเองนี่ก็เคยมาแล้วมาแต่มาพูดเฉยโดยรุจดนเดาๆเคยมาแล้วให้รวมด้วยคําบริกรรมสงบด้วยคําบริกรรมก็เคยมาแล้วสงบด้วยสติปัญญาพิจารณาคุ้นคว้าที่เรียกว่าปัญญาโดยสมาธิก็เคยดําเนินมาได้ ถึงกับต้องรีเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือหนังสือปัญญาลงสมาธินะหรือจะกำหนดลงโดยลำพังจิตเลยเมื่อจิตมีฐานั่งสมาธิแล้วก็ลงได้เลยมีสามอย่างด้วกันอย่างไหนก็ตามจิตสงบได้แล้วเป็นถูกต้องเฉพาะอย่างนี้เปนปัญญาในเวลเาเราใช้ ในขณะที่เกิดความเกิดความคับคับขันขึ้นมาเช่นนั่งมันเป็นทุกขเวทนามากหรือเราเก็บไายได้ป่วยมากๆเอาความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเก็บไข้ได้ป่วย น, นั้นมาเป็นเป้าหมายมันเป็นสนามโลกพ้นควาอยู่ตรงนั้นมหมุนติ้อยู่างนั้นมันก็เป็นปัญญาได้ปัญญาประเภทความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาทางด้านปัญญานี้มีความอาจหานมากทีเดียวผิดกับสมาธิทั้งหลาย นการอุบาพิจารณาทัตติเป็นของสําคัญอย่าลดละเปิดวางไม่ว่าจะไปที่ไหนมาที่ใดอยู่ในสถานที่ใดเอียบุตใดทัตติเป็นของสําคัญมากที่จะคอยจดจอ่อจิตให้ต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ลดละจิตก็มีคุณค่านะขณะที่มีสติปร ะ, ประคองตัวอยู่ถ้าไม่มีสติจิตเละล่นอนทะเลสไลดยไปเข้าพ้นเข้าดากเข้ามร สติเป็นของหักห้ามเป็นสิ่งสําคัญจึงต้อ ง, งมาพิจารณาด้วยสติเสมอทางปัญญาก็ด้วยสติทางบริกรรมก็ด้วยสติจะกําหนดลมเฉยๆให้จิตสงบลงไปเพราะความในฐานขอสมาธิแล้วก็คือสติลงได้ธนั้นสติเป็นทำจําเป็นอยู่มากาเพราะว่าความเพียงประเภทดับสตินี้จะปรบศจากจะไม่ได้เลยสติเป็นของจําเป็นในงานทุกขั้นของงาน ไม่ว่าปัญญาขั้นยากขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าสมาธิขั้นใดสติเป็นต้องแนบติดแน บ, บิตลอดเวลาจงจะจัดว่าเป็นงานเป็นการเป็นผลเป็นผขึ้นมาได้อันนีเอาแค่นี้ไปก่อนตอแทนท่านญาติบ้านเพื่อนตั่อแล้ลืาาามา่อนไรการอะไร